อัรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระยาณสังวสรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายกต้นไม้ที่ตรัสรู้คติเรื่องพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีเกี่ยวเนื่องจากคติเรื่อง พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เพราะจะต้องมีท่านผู้เตรียมพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในคัมภีร์ชาดกเป็นเรื่องเล่าถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เฉวยพระชาติต่างๆจนถึงเป็นพระเวสสันดรนับได้ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดชาดกไม่นับสุเมตดดาบทซึ่งเป็นชาติเรื่องต้นในบบนี้ก็มีพระศีอ่านเป็นพระโพธิสัตว์ สถิตอยู่ในดุสิตสวรรค์ซึ่งจะได้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาอสงไข่ปีในอนาคตในกลับของพระธิปังกอพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสี่พระองค์พระธิปังกอนเป็นองค์ที่สี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจํานวนยี่สิบแปดพระองค์จึงนับแปดพระตันหังก่อนซึ่งเป็นองค์หนึ่งในกลับนั้นส่วนในผานยักษ์ผานพระเป็นต้น แสดงไว้เพียงเจ็ดพระองค์โพธิพฤกหรือไม้โพคือต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระทีปังก่อนเป็นต้นไปพบในพุทธวงเป็นต้นส่วนองค์ที่หนึ่งถึงที่สพบในจิรกาลมาลีดังต่อไปนี้ 1. พระตันหังก่อนไม้สตัตตาปณนะหรือตินเป็ดขาวสองพระเมธังก่อน ไม้กิ่งสุกะหรือทองกวาวสาพระสรนังกรไม้ปาตาลีหรือแคฝอยอีกพระธีปังกรไม้ปีกผลิตหรือเลียบหพระโกนธัญญะไม้สาละกลยาณีหรือขานาง6พระมังคละไม้นาคะหรือกากทิงนเจพระสมณนะไม้นาคะ หรือกากระทิง 8. ปพระเลวตะไม้นาคะหรือกากระถิง 9. กาพระโสพิตะไม้นาคะหรือกากระทิงสิ 10. พระอนมทศีไม้อัจชุนะหรือรกฟ้าขาวส1อพระปฐุมะไม้มหาโสนะหรืออ้อยชา้างคำมอกส2องพระนารทะ ไม้มหาโสนะหรืออ้อยช้างคำหมอกสิบสาพระปทุมุตระไม้สรละหรือสนสิบสพระสุเมธะไม้มหานิมภะหรือสดาวปาสิบห้า 15. พระสุชาติไม้มหาเวรุหรือไผ่ใหญ่สิหพระปิยทัศีไม้กากุทะหรือกุม่มสิบเจ็ด พระอัฏฐาทศีไม้จำปกะหรือจมปาบา 1. 8พระธรรมทัศีไม้พิมพชาละหรือกุระวกะหรือมะพระ้าวซองแมว 19. เ้าพระสิทธัถาไม้กณนิการะหรือกณนิกายสิพระติดสะไม้อศาศนะหรือกระดูลายี1อพระปุตสะไม้อลมกะ หรือมะขามป้อม22พระวิปสัสสีไม้ปาตาลีหรือแครไฟลย23พระศิขีไม้ปุนทลิกะหรือมะม่วงป่ายี่พระเวสภูไม้มหาสาระหรือสาละใหญ่สร้างหลวงหรือพระตาัดทางภาคเหนือยีหพระกกูสัมทัไม้มหาสลีสักด์หรือซึกใหญ่ 26. พระโกนาคมณะไม้อุทุมพระหรือเมะเดื่อ 27. ส็พระกสปะไม้นิโครทะหรือไสกรกลาง 28. พระโคตมะคือพระพุทธเจ้าพระบรมศัพดาของเราทั้งหลายไม้อัสสัถะหรือโพป่าแป้งไม้อัสสัถะไทยเราทั่วไปเรียกกันว่าโพ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 และพระโพ ธ, ธิสัตว์มีกล่าวในคมภีร์ฝ่ายเทรวานนี้ตั้งแต่ชั้นบาลีเป็นต้นไปจึงมีคล้ายกับมหายาณแต่ไม่เหมือนกันถึงอย่างนั้นก็คงมีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ด้วยกันและแสดงพระโพ ธ, ธิสัตว์ด้วยกันส่วนอธิบายมีต่างกันได้กล่าวในฝ่ายเทรวานนี้แล้วจะได้เลือกกล่าวในฝ่ายมหายาณที่เทียนโดยสังเขป พ, พระพุทธเจ้า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 พระเจ้าห้าพระองค์หนึ่งพระไวยโรจนะทำหัสอย่างปางปฐ ม, มเทศนาสองพระอักโสภะทำหัดอย่างปางมาวิชัยสพระรัตนสัมภวะทำหัสอย่างปางประทานพรสพระอมิตาภะทำหัสอย่างปางสมาธิหพระอโมคสิทะทำหัดอย่างปางประธานภัย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 พระไวยโรจนะถือกันว่าพระไวยโรจนะเป็นองค์กลางอีสีองค์อยู่ล้อมรอบจรนทิศพระบุธรูปศิลาชุดห้าองค์นี้เดิมปฏิสถานอยู่ที่พระเจดีอูโรพุทโธในกอชวะเมื่อเร็วๆนี้ที่วัดราชาติยว่าถูกผู้ร้ายลักตัดพระเศียรไปองค์หนึ่งถ้าใครติดตามนากลับมาติดต่อคืนได้จะเป็นกุศลอย่างยิ่งต่อมามีเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกปางหนึ่ง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 เป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าทางนั้นพระมนุษย์พุทธเจ้ามีพระกายสามอย่างคือ 1. พระธรรมกายได้แก่กายธรรมคือตัวพระธรรมที่ตรัสรู้ 2. สองสำโพกกายได้แก่กายเนื้อหรือรูปนามเกิดแก่ตาย 3. นิรมาณกายได้แก่กายที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระภัยสัจครุบางพวกถือว่า เป็นพระมนุษย์พทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยส่วนพระโพธิสัตว์มีมากได้แก่ท่านผู้ที่จะสําเร็จก็ได้แต่ไม่ยอมสําเร็จเป็นพระอรหันต์มุ่งจะช่วยโลกต่อไปก่อนแบ่งเป็นทยานิพุทธิสัตว์พวกหนึ่งมนุษย์โพธิสัตว์จําพวกหนึ่งมีจํานวนมากแต่พระทยานิพุทธิสัตว์ที่สําคัญมีห้าพระองค์คือหนึ่งสมัญตพัทธรพธิสัตว์ ผู้รักษาพระศาสนาของพระกากุสันทะพุทธเจ้า 2. วัชิรปานีโพธิสัตว์ผู้รักษาพระศาสนาของพระโกนาคมพุทธเจ้า 3. พระธนปาณีโพธิสัตว์ผู้รักษาพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้า 4. อวโลกีเตศวนโพธิสัตว์ผู้รักษาพระศาสนาของพระโคดมสัจญาโมนีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 5. วิสาวปาณีโพธิสัตว์ จะเป็นผู้รักษาพระศาสนาของพระศรีอาริยะเมตไตรพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเทรวาดและอาจาริยาวาดคําว่าเทรวาดและอาจาริยาวาาเป็นต้นมีความหมายโดยย่อ ด, ดังต่อไปนี้เทรวาดแปลวา่าถ้อยคําของพระเถระประวัติของคํานี้มีว่าในคราวที่พระอรหันต์จํานวนห้า้อยรูปประชุมกัน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 ที่เห็นว่าปฏิบัติไม่สะดวกต่างอาจารย์ก็ต่างถอนตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างฝ่ายนี้เรียกว่าอาจริยาวาทแปลว่าถ้อยคําของอาจารย์เมื่อแผ่ขยายออกไปในถิ่นต่างๆก็ยิ่งต่างกันออกไปทั้งก็ยิ่งถอนจนถึงสิกขาบทใหญ่ๆปริ่มแปลงแก้ไขไปตามหมูนะ่คณะและถิ่นประเทศพระสงสายนี้โดยมากแผ่ขยายไปทางเหนือของอินเดีย จึงเรียกว่าอุตรันิกายแปลว่านิกายเหนือซูสนสายเทลาวาดโดยมากแผ่ไปทางใต้ของอินเดียจึงเรียกว่าทักษิณนิกายแปลว่านิกายใต้สายอาจริยาว่าดหรืออุตรันิกายนั้นในเวลาต่อมาก็มีใช่แก้แต่วินัยเท่านั้นแต่ได้แก้หลักธรรมตามคติเดิมด้วยดังเช่นแก้เรื่องพระพุทธเจ้าและ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 ไม่เกิดเป็นอะไรอีกต่อไปและสิ้นสมมติบัญญัติทั้งหมดหมดเรื่องที่จะพูดว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นส่วนทางอุตรานิกายนั้นแก้เป็นมีอาธิพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นอัตตาตัวตนอยู่บนสูงสวรรค์สถิตยอยู่เป็นนิรันดรจึงเป็นการแก้ทำให้เป็นอัตตาขึ้นและแสดงพระโพธิสัตว์เป็นอันมากซึ่งยังคงอยู่กับโลกเพื่อช่วยโลกจึงเรียกฝ่ายของตนว่ามหายาน แปลว่ายานคือภาชนะที่ใหญ่อาจที่จะช่วยบรรทุกสัตว์โลกเป็นอันมากให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ได้และเรียกฝ่ายเทราวาาว่าหินนยานแปลว่ายานคือภาชนะที่เล็กเพราะเอาตัวรอดเฉพาะตัวปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันเฉพาะตนไม่รอยอยู่ช่วยโลกต่อไปก่อนฉะนั้นเทราวา่าถ้สศีนิกายหรือหินยานจึงเป็นสายเดียวกันบัดนี้ ตั้งอยู่ในลังกาไทยพมา่ามอญเป็นต้นสายนี้ยึดถือรักษาพระธรรมวินัยตามหลักเดิมไว้ส่วนอจริยาวาทอุตรนิกายหรือมหายานก็เป็นสายเดียวกันแบบ น, นี้ตั้งอยู่ในทิเบตจีนญี่ปุ่นเกาหลียวนเป็นต้นทั้งสองสายเดิมก็คงไม่ต่างกันมากแต่เมื่อร่วงมานานๆ ก็ยิ่งต่างกันออกไปทุกทีและในสายเดียวกันก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นให้กายเล็กน้อยอีกเป็นอันมากจากเในสายเทรว่า น, นั้นคติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และพระโพธิสัตว์จะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยากที่จะทราบได้แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ด้อยน้อยหน้า ก, กว่าฝ่ายมหา ย, ยานแต่ก็ยังรักษาหลักเดิมคือแสดงพระพุทธเจ้าในมนุษย์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 สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้ากฎ ค, ความจริงในเรื่องนี้ก็มีอยู่ประจำโลกเมื่อใครคนพบก็ประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ถ้าวิชาในเรื่องนี้ต้องสาบสูญไปเพราะเหตุอะไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่ากฎความจริงในเรื่องนี้จะต้องสาบสูญไปด้วยเมื่อใครคนพบเข้าอีกก็อาจประดิษฐ์ใช้ได้อีกธรรมคือความจริงที่สถิตอยู่เป็นอากาลิโกหรือไม่มีการ